มาฟ้องกันหมดเดียวมาฟ้องบี้อยากจะพูดพาาภาษาภาษาอีสานฟังันนุ่มบไก่ตาแตกเนจริยงอยากจะฝึกเรู้่ภาษานี่มีกันภาษาภาษาอีสานพอเรานมใหม่ก็ฟังได้แต่ว่าถ้าถาาษาอีสานแท้ๆก็ไม่ไหวคไม่ค่อยเอาใจใส่หรือมั้เนาะ มันจะมายอยู่กับพวกเจ็กไม่รู้ภาษาเจ็กไปยเกิดด้วยกันไปเจ๊กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่นะทางกลางมาหาทางพิสานเกิดมืาเกิดได้ยินบ่อยด้วยไหมเอาใจ ใ, ใ, ใ, ใ, ใ, ใส่นะครับจะ ม, มาเพียงแค่วันของวันกลับไปไ ว, วันพุธใ <c oughs> <c oughs> ช่ไหมครับจะไปเจะไปมัธนาชาตเดียวเนยครับผมประกันตังใจฟังทำจ้ะทุกทุกคน นักมูตัจจะปะวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธตัจจะนักมูตัจจะปะกวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธตัจจะนักมูตัจจะปะกว u ตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธตัจจะพุทธังตัมังสังขังนามาซามีอิโตุปรังสัจจังตัมโมสุตัปุต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 ผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็ น, เ ป, นเป็นสถานที่แห่งแรงเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้เขาพอจะอยู่ได้แตนะ่บางบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็กนี้มันเป็นบางแห่ง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 อย่างปัจจุบันนเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงอืมมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพิจารณาปฏิบัติตามความรู้ความเห็นของเราที่ได้จํามานั้นก็เรื่ามีปัญญาเกิดขึ้นสุตตมัจจาปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึง่งฟังแล้วไปคิดพินิษ์พิจรารณาขยายออกให้มันกวา้างแตรรวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเออกไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึน่งเป็นสุตตะมายะปัญญากินตะมายะปัญญา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 วันนี้ได้มาด้วยตนเองถึงวัดป่าคงไปฟังโอวาทที่อาตมาให้อวัทนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดเดี๋ยามารู้ตัวอาตมาที่วัดนี้ได้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดป่าคงนั่นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรรูปร่างสันฐานวันณนะเป็นยังไง ปัญหาเหล่านี้ค ง, คงจะหมดใน ว, วันนี้หับหญาติโยมท่างหลายซึ่งไม่มาเห็นในตนเองอันใดอันนั่นก็เหมือนกันจันทันไอธรรมะซึ่งเป็นของพระผู้มีพระภาคทรัสประกาศไว้นั้นเรียกว่ามันเป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะ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 เอถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาอที่เราจะทัศนาจรในข้างนอกนั้นมันหมดไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายด้านี้มันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละ น, น, นี่เป็นตัวอย่างเอ่นนั้นการปฏิบัตินี่จริงเป็นของที่สัมพันธ์มันก็เรียบกันกับที่ว่าเราไหว้พระ พระพุทธาระธรรมพระสงค์เพราะพระเรานับถือพระพุทธพระธรรมประสงค์แต่ความเป็นจริงเราก็ไหว้ไปอย่างนั้นก็มีว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักได้ยินข่าวว่าพระพุทธนั่นทันดีทันเดิอดประเสริฐปรกราบทันพระธรรมนั่นทันดีเลิอดประเสริฐปรกราบท่านพระสงฆ์นั่นทันประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องใส่อกราบทั้นี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง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 พร่อข้อสันมานี้ไม่ขาดไปจากโลกดีทีเดียวอันนี้คือสัจรธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจําโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนแม่องค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านมีบุญญาบา ร, รมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเรียกว่าทำเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้น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 แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญบรอดนะบารมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรลุธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านกัจจารูร้เป็นพระพุทธเจ้าคือปัสจรูธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่กัสจรูอย่างอื่นไอความเป็นจริงตาหูจมูกิ้นกายของท่านก็ยังอยู่อย่างเกา่าแหละเออแบบยังอยู่อย่างเกา่า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 ในนากายที่บริสุทธิ์ผุดทองอันเกิดมาจากวิชาเิจารณะทั้งหลายนี้เป็นตน้นเป็นนามกายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองนังนั้ น, น, นจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งก็ได้เกิดด้วยรูปกายครั้งหนึ่งนามกายครั้งหนึ่งเกิดนามที่บริสุทธิ์ผุดทองนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอะไรท่านก็อาศัยทัศนาจรเหมือนพวกเรานี่เอง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 นี่ทัศนจรตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราท่านศัสนจรด้วยปัญญายานของท่านรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นพื้นแก่เก็บตายกันทั้งโลกเนี้ท่านก็เห็นชัดออดีตท่านก็เห็นชัดปัจจุบันท่านก็เห็นชัดอนาคตท่านก็เห็นชัดเห็นชัดว่าโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยเออ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 อาตมาก็านั่งดูค่อยๆสังเกตดูเฮ้ยมันคนแหม่มันสวยเหลือเกินใอ้มันคนกูนแม่มีสวยแต่มันแปลกในเงิือนโบสถ์ก็ไม่เป็นอะไรนะนไอ้คนที่ว่าโบสสวยกับคนที่ว่าโบสถไม่สว ย, ยก็มีราคาเท่ากันคนที่ว่าสวยแล้วก็ว่าจะทำต้องทำแล้วก็กลับบ้านหรอหรอไอ้คนที่ว่าไม่สวยจะามต้องๆำแ้วก็กลับบ้านครับเ ข, า, ขามาได้มายืนทวงอยู่ตรงนี้กับทางปีกกับทางชาติหอกอย่างไงนคนที่ว่าสวยแล้วก็หนีไป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 คนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะกระด้างก็ปลายเท้ามดแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ว่านี่อะไรคือกายให้รูปกายของเราสว่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพรรณบรรณะก่องใสไม่สะอาดสะอาดชะมำเสมอกันทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แต่นี่เราก็เห็นกายข้างนอกอคนนั้นสวยอคนนี้ไม่สวยอคนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงกาย ถ้าเราทัศนาจลเป็นทัศนาศึกษาในกายของเขาเนี่ยไอ้ของที่กายในกายจะมีอะไรว้างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นกายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกภายกลับไปอีกว่าเราด่าดูร่างกายแล้วกับผิวเผินเท่านั้นเนี่ยไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายข้างนอก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 เมื่อเข้าไปในท่อแล้วออกมาที่ไหนราคาเท่ากันแดีนั้นน่ะไม่ได้แปกอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีราไรไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นตนแต่เมื่อจะข้าวไปให้จานนี่แถวนั้นจานนั้นเแถวนี้จานนี้แถวนั้นแย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่ร่าชาเราทัทนานนะศึกษาไอ้พายกายเมกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้ ว่าเลี้ยนเจ้านี้ระลึกก็ไปอีกเออไอคนเราเนี่ยมันก็แปลกๆกันนะจะไม่ควรยึดมั่นก็ไม่ไม่ไม่ไม่ควรถือมั่นนะนี่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่นจึงบอกว่าไอการเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอเสมอกันจึงนั้นท่านจึงให้โอวาทกับเราท่านทางหลายว่าเหมือนญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยการไปด้วยการอยู่ด้วยการนี้เป็นญาติญาติคือความเกิด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 ญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนการแก่ว่าญาติคือความแก่มันก็เหมือนกันญาติคือความเจ็บมันก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนมันก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้วิธีนั้นเราไปคิดแยกซะเราไปคิดแยกซะอี่เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็ที่ออกไปดูเฉยเฉยไม่ใจทัศนศึกษา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 ของนุวยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นแนี่ยถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเช่นนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโปรธรรมโอธรรมมีอันเดียวตถนนี้คนก็คือมีคนคนเดียวทถนนี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวแถนนี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเช่นนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่นนี้แล้วเป็นต้นมันปรามาคีกันสามากีความรักสามากีความเมตตาอารีซึ่งกันในการ ความสามัคคีนนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคุณงานความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราพยายกทถอนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนจังยี่สิบสามสิบคนนะถ้ามสามัคคีกันมันยกขึ้นไปได้แล้วถ้าพร้อมกันสามัคคีกันมันยกขึ้นไปเดียวเดียวได้แต่เนี่ยของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สา้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้กของมันกันนั้นเพราะพวกเราทางไหนเมื่อเห็นว่าเรามันเปลียนเช่นนี้แล้วตั้งใจ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนะศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายไม่มีอะไรเป็นคิดไม่มีอะไรเป็นไยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามัติมิตรเป็นมิจฉามัติไอ้ความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาตายในยจิตของเรานี่เองไอ้โทษตั้งหลายตัางกวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้น จะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่นีอ่ะไอความเห็นผิดฟาให้คนต่ําช้าเดือดซ้ำตายคนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะร่วโจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้าท่านเชื่อไอความเห็นผิดนี่คือเทวทัศตท่านมองหาไอความดีของเทวทัศน์มันเมแต่ น, น้อยเนี่ยเอพ่ยปลายเส้นขนจมารีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั้นท่านเรียกว่าไอความผิดนั่นแหละ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 เห็นว่ามนุษย์เราทางไหนีมันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเก็บคนตายเหมือนกันแใรไรก็เหมือนกันทางนั้นเนี่ยมีเกิดบางตนก็มีแปรทำต่างมีแปรทำต่างที่สุดมัก็มีดับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆ ท, ก ท, า ท, กทกา these, ่านทุกตคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนเราเหมือนกันเท่านั้นและอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกัน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 ถ้าเราใกล้ธรรมะล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเพระพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละบดเรื่องจริงๆล่ะคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองเสียถาดบาตรกุมานแต่ยังท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนอันนี้ทั้งก็เป็นคนธรรมดาถ้าต่างเห็นธรรมะอันนี้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะแสดงว่าบอเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะ ถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าเราเข้าใกล้ Paul, ลใใรธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจา้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่วิชัยว่าท่านหนีไปแล้วแตนยังอยู่ทุกวันนี้แต่ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจประพุทธปฏิบัติตามเป็นต้นเพราะเพราะว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้นถ้าทําผิดมันก็ผิดถ้าทําถูกมันก็ถูก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 ทัศนาจารไม่ใช่ดูไปเฉยเฉยไม่ใจะเดินเทีย่ยวเฉยเฉยแต่มีทัศนาศึกษาก็าดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไง ร, รู้จักสิ่งทั้งหลายด่านั้นก็ามาวาเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันก็เรื่องอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่เจตัวไม่เจตวนไม่เ่เล่าเจเข่าทั้งนั้นเนี่ะเมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยง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 ต้องโสดาว่าไม่ต้องขาดทุนเมื่อามาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนามานะหลายชั่วโมงเหมือนกันพิ่งสนานการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะและมาทัศนาจรแล้วทัศนาศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดผูศสนให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นทุนหาก็เป๋<ไ>แขนก็เป็นง่อยเรียกว่าคนไม่สมบูรณ์นะในบริษัท์ทั้งหลายไม่สมบูรก็คือเ ข, าข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดเดี๋ยวไปทัศนะดูเฉยๆเดยวกลับไปบ้านไม่มีอะไรไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ฝากตัวของเองก็ยังไม่มีเลยนี่ยอย า, งงาจารย์เป็นไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติธปฏิบัติไปอย่างนี้เห็นไปทีลนทะน้อทีละเพิ่มเข้ามันกว่ามักเองเดเป็นด้เปลี่ยนความเห็นผิดในีมันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นในีมันถูกเพราะมันถูกเข้าวมันกมุ่ดผิด หมดผิดนกองพสมบูรณ์ทําตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยเฉะนั้นวันนี้ขออยุติการแสดงธรรมะแก่ญาติายโยมทั้งหลายพ้นจิสุดท้ายนี้ขอให้โยมทั้งหลายทํากิจให้เป็นโอปารายการธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจเอน้อมใจขอไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาใส่ใจนะอย่าน้อมอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะ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 เป็นผู้ไม่ลืมกตัญญูกตตวบีดีของบุคคลที่มีคุณเป็นต้นในจันทร์วันนี้ขอด้วยอาํานาจแห่งคุณพระศ ร, รีตรัตนาใจยจงปกปักรักษาพว ก, ก, กาทา่านทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระหว่า ง, างทางออกจากนี้ให้ถึงจุดตีประสงค์พ้นจิจุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องหรือความสวัสดีด้วยอาํานาจแห่งคุณพระศีรระตรัตนตใจอย่างเรวอนพ้น อันนี้ขอความสุขความเจริญแก่ยงมีแก่พุทธบริษัททั้ทงหลายทุกๆคนเทิน